บทที่42เคล็ดวิชาพยากรณ์กรรมหลังจากสนทนาสารพัดข้อจีปาถาอีกครู่ใหญ่อุปการะก็ขอให้ลานดาวกลับเพราะมีนัดกับแขกสําคัญรายหนึ่งที่แรกลานดาวค่อนข้างแปลกใจเพราะแต่ไหนแต่ไรไม่เคยได้ยินอาจารย์เรียกใครว่าแขกสําคัญสักทีแต่แล้วเมื่อกลับลาอาจารย์เดินออกจากตัวบ้านมาถึงโรงรถก็ได้ทราบว่า VIP ของอาจารย์คือใครเฮ้โจก เห็นเขาแต่ไกลไม่พบกันนานหน้าตาท่าทางนนทการเปลี่ยนไปมากชายหนุ่มเดินยิ้มเข้ามาหาและโบกมือทักทายเพื่อนเก่าว่าไงจ๊าโอ้โหอาจารย์บอกว่ามีนัดกับแขกสําคัญนึกไม่ถึงว่าจะเป็นเธอชายหนุ่มเบิกตาเล็กน้อยเมื่อทราบว่าอุปการะยกย่องตนเป็นคนสําคัญก็มีท่าทีภาคภูมิใจอาจารย์ประชดด้วยการกลับดําให้เป็นข่าวมั้งช่วงหลังนี้จกมารบกวนท่านบ่อยจ้าว่าอาจารย์ไม่พูดเล่นหรอก เพิงเอ่ยปากไล่แขกกระจอกอย่างจ้ากลับบอกว่าต้องเตรียมต้อนรับแขกสำคัญกำลังจะน้อยใจอยู่ทีเดียวนะเนี่ยแล้วหล่อนก็ทำตาวาวหลายเดือนก่อนพี่เอินเล่าให้ฟังว่าเจอเธอที่นี่ยังบอกเลยว่าหน้าตาอิ่มบุญขึ้นจะไม่นึกว่าจะเข้าขั้นผ่องใสราวกับพระอย่างนี้เอ๊หรือว่าด้วยความเป็นคนมีสังหอนแม่นทำให้ลานดาวค่อนข้างมั่นใจที่จะทักเธอกำลังจะบวชนนทการกระพริบตาสองสาทีแล้วเบนหน้าไปทางอื่นจะสบายดีหรือ ก็เรื่อยๆถวัดกันแล้วจะคงสุขได้สักแค่ครึ่งเดียวของโจกมัง้งยิงสาวหมายความตามนั้นเดี๋ยวนี้หล่อนช่างน้ำหนักความสุขเก่งนนทการผ่อนลมหายใจแช่มช้าสม่ำเสมอเยี่ยงผู้ที่หายใจเป็นและมีความสุขอยู่กับลมหายใจของตนเองตลอดเวลาตอนนี้จะดังระดับประเทศแล้วก็น่าจะมีความสุขระดับประเทศนี่มาบอกว่าสุขแค่ครึ่งหนึ่งของคนต๊อกต่อยอย่างโจกได้ยังไงลานดาวหัวเราะมองเพื่อนหนุ่มด้วยความรักสนิทลึกซึง้งโจกคะ จ๋าอยากขอบคุณโจกมานานแล้วหล่อนพนมมือไหว้เพื่อนชายวัยเดียวกันด้วยใจระลึกถึงบุญคุณจากก้นบึงประกอบกับความอ่อนน้อมที่ฝึกเป็นนิสัยในระยะหลังจนสามารถไหว้ใครก็ได้ส่วนนนทการเมื่อเห็นแล้วงุนงงจนรับไหว้ไม่ถูกเรื่องอะไรกันริมฝีปากหญิงสาวคลี่ออกเป็นยิ้มเย็นหล่อนพินหน้าเฉ้มเลืองแลไปรอบด้านที่ปรากฏเป็นตึกรามบ้านช่องกลางแสงอาทิตย์พลางเอ่ย เดี๋ยวนี้จ้าเห็นโลกต่างไปเหมือนเรากำลังยืนอยู่ในเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่ทุกคนและทุกสิ่งเป็นองค์ประกอบละครกรรมวิบากของกันและกันกรรมเป็นใหญ่เป็นประธานในการสร้างเหตุการณ์สารพัดแม้ปลัดจากเมฆฝนฟ้าก็พาลงมาตรงที่จ้ายืนได้เดี๋ยวนี้ถ้ามีกรรมอันสมควรให้โดนนนทการหัวเราะมองฟ้าเอาละสิพูดซะเราหนาวๆร้อนๆเลยเนี่ยถ้าไม่มีโจก๊กจ้าก็คงไม่ได้มาพบกับอาจารย์ การมีอาจารย์ที่สามารถชี้ทางถูกทางชอบให้เราได้ก็คือรุ่งอรุณของความเจริญข้างหน้าจะได้ดีมีสุขก็เพราะประกอบกรรมอันเป็นกุศลอย่างถูกต้องชีวิตนี้ถือว่าจ่าติดนี้โจรครั้งหนึ่งแล้วนะชายหนุ่มยิ้มกว้างสายหน้าเล็กน้อยเราพาจ่าไปพบอาจารย์คราวนั้นก็ด้วยเจตนาแอบแฝงคือแค่หวังควงจะาเที่ยวก็หาอุบายล่อใจด้วยการพาไปดูหมอไม่ใช่เจตนาพาไปพบกับทางสว่างแต่อย่างใดเลยเพราะฉะนั้นขออย่าได้ถือเป็นบุญคุณอะไร โจ๊มีแต่ต้องขอแสดงความยินดีกับการเลือกเดินอยู่บนทางมงคลของจ่าเท่านั้นลานดาวยิ้มหวานเอาเป็นว่าจ่าขอขอบคุณโจ๊กสุดหัวใจนะคะว่าแต่ถามจริงๆโจ๊กําลังตั้งใจจะบวชหรือเพื่อนหนุ่มกระแอมเล็กน้อยก่อนใช้ภาษากายตอบด้วยการพยักหน้ารับเหมือนไม่เคยเต็มใจเอ่ยผ่านปากผ่านคําเท่าใดนักอนุโมทนาค่ะหล่อนยกมือไหว้ท่วมศีรษะกลุ่ยาที่เจือด้วยการแสดงความเคารพของลานดาวทําเอาชายหนุ่มยืนเก้อเ ก, อเกอชอบกลน ไม่ทราบควรโต้ตอบอย่างไรถูกก็อ้อมแอมเออขอบใจตั้งใจจะบวชนานแค่ไหนก็คงไม่รู้สิคงบวชไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดบุญในผ้าเหลืองมัง้งนึกแล้วเชียวจะขอไปร่วมงานบวช ด, ด้วยคนนะคะคาดหมายว่าฝ่ายนั้นจะรับคำง่ายๆตั้งใจว่าให้เขาบวชไกลแค่ไหนหล่อนติดธุระสำคัญปานใดก็จะดันด้นติดตามไปในวันบวชให้จงได้โดยไม่เห็นความสาคัญของสิ่งใดอื่นอย่าเลย เขาปฏิเสธด้วยเสียงสงบทำให้ลานดาวพงะเล็กๆทำไมละ่ะนนทการถอนใจก้มหน้าพายมือทั้งสองข้างอย่างจะสารภาพเพิ่งรู้ตัวว่าทุกวันนี้โจกยังทำใจตัดจะาไม่ได้เด็ดขาดเสียทีทั้งที่เหมือนลืมๆ ม, มาตั้งนานแล้วจ่าคงไม่เข้าใจหรอกเห็นจาแล้วยังเหมือนถูกเข็มแทงตามเดิมโจกอยากบวช ด, ด้วยความรู้สึกสงบนิ่งไม่อยากฟุ้งซ่านสัดสายเพราะเจอรูปเสียงของจาอีกเราควรทาตัวเหมือนตายจากกันไปเลยดีกว่า ลันดาวรับฟังด้วยความเสียใจยิ่งในวูบแรกแต่แล้วเมื่ออย่างซึ้งถึงเจ็ดจำหนงแน่วแน่ที่จะเป็นภิกษุสงฆ์ผู้บริสุทธิ์ปราศจากเยื่อใยปราศจากความอลัยใยดีในโลกแม้นน้อยเท่าน้อยหล่อนก็เปลี่ยนจากความน้อยใจเป็นเข้าใจได้แทนยืนกัดมุมปากล่างข้างหนึ่งสำรวจตนเองเห็นในช่องอกยังถูกบีบคั้นจากแรงแห่งความเศร้าสร้อยอาลัยแม้เขาก้มหน้ากล่าวคล้ายคนหมดท่าแต่ถูกถ้อยคำกลับเปล่งออกมาด้วยน้ำหนักสติของคนที่รู้ว่ากำลังทำอะไร ต้องการสิ่งใดและปฏิเสธคำขอใครๆด้วยเหตุผลส่วนตัวข้อไหนนั่นทำให้เกิดความรู้สึกชื่นชมขณะเดียวกันก็เสียดายที่ชาตินี้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายเดียวไม่เคยมีโอกาสช่วยเหลือเกื้อกูลเขาบ้างเลยและคงไม่แม้กระทั้งจะได้ไปใส่บาสักครั้งโอกาสเดียวที่อาจมีบ้างคือเมื่อเขาขอบวชอย่างสงบไม่อยากพบเจอหลอนอีกหลอนก็จะช่วยเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจเสียเดียวนี้ก็ได้ค่ะเราจะไม่เห็นหน้ากันอีก ขอให้หลวงพี่ปฏิบัติธรรมโดยปราศจากอุปสรรคและจงพบพลานิพนธ์ในการปัจจุบันด้วยเถิดยกมือไหว้เขาอย่างสวยที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเบี่ยงกายก้าวเดินด้วยจังหวะที่มั่นคงจากไปนนท ก, การกลับหลังหันมองตามเพื่อนสาวเกือบพลั้งปากเรียกครั้งไว้ก่อนเพื่อเอ่ยขอโทษที่อาจทําให้หล่อนขุนคลองแต่เมื่อเห็นลานดาวเปิดประตูรั้วก้าวผ่านเขตบ้านไปโดยสงบก็ยังปากทําใจตามวาจาที่ลั่นไว้ทําตัวเหมือนตายจากกัน ภาพลานดาวหันหลังเดินห่างไปเรื่อยๆจนลับตาเป็นสิ่งงดงามละมุนและควรเป็นภาพสุดท้ายที่เขาจะได้เห็นหล่อนในชาตินี้ภายในห้องรับแขกของบ้านโฮราจารย์ผู้ทรงฤทธิ์ชายหนุ่มปรากฏตัวขึ้นด้วยสีหน้าเศร้าซอยเมื่อเห็นผู้อาวุโสนั่งรออยู่ก็ผนมมือไหว้สวัสดีครับอาจารย์เออสวัสดีทำไมทำหน้าเหมือนจะร้องไห้อย่างนั้นล่ะอุปการรถามทางที่รู้ดีอยู่แล้ว นนทการฝืนยิ้มแห้งแลง้งอย่างจะขอกำลังใจและเอ่ยตอบแบบเปิดอกไม่อําพลางเพราะทราบดีว่าต่อให้โกหกเก่งเท่านักจารกรรมระดับโลกก็หลอกอาจารย์ของตนไม่สําเร็จเมื่อกี้ตอนเข้ามาเดินสวนกับจ๊ะเพิ่งรู้ตัวว่ายังอะไรอาวรเขาอยู่มากครับผู้เป็นอาจารย์ยิ้มนิดหนึ่งจะบวชอยู่แล้วเจอเครื่องทดสอบใจหน่อยเดียวยกทงเขาเลยเหรอเปล่าครับแต่ตอนนี้ผมไม่ทราบจะทําอย่างไรเหมือนคนถูกเข็มแทงสะดุ้งจนเบลอไม่ทราบควรเลือกยากขวดไหน อุปการะหัวเราะเอื่อยๆรูปเหมือนเข็มแทงตาเสียงเหมือนเข็มแทงหูอันนั้นก็จริงอยู่แต่ใจที่คิดถึงผู้หญิงนะ่ะไม่เหมือนเข็มแทงตัวเองหรอกมันแค่ออกอาการเดาเดินทุรนทุรายไปเองโดยไม่จําเป็นผู้หญิงเขาไปตั้งไกลแล้วยังดิ้นปัดปัดอยู่นั่นนี่แหละฉันถึงว่าพอความรักโผล่ความโง่ก็แผลมเห็นจากจิตเลยนะว่าความโง่เป็นเงาตามความรักมาจริงๆนนทการยังก้มหน้านิ่งด้วยความสลดและเห็นจริงครับสตรีคือศัตรูของพรหมจันทร์ พระพุทธเจ้าตรัสว่าสําหรับผู้ถือบวตไม่เจอสตรีเลยดีที่สุดอันที่จริงฉันไล่เขากลบกับก่อนเวลานัดกับเธอตั้งครึ่งชั่วโมงเธอก็ดันมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงเสียหนี้ชายหนุ่มหัวเราะแผ่วคงเป็นดวงผมที่ต้องเจอบทพิสูจน์นะครับอันที่จริงผมลืมลืมลือนจะมาพักใหญ่ยิ่งพอมาฝ่ใจคิดเอาดีทางนี้ก็ยิ่งเหมือนตัดขาดได้หมดถึงรู้ว่าเขาดังถึงทราบว่าเขาออกรายการทีวีวิทยุไหนๆก็ไม่ติดตามไม่สนใจอยากดูเลย แต่พอเจอตัวจริงทีเดียวพิษความอะไรไหล ย, ย้อนกลับเข้าหัวใจหมดอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาคนเราอยากทวนกระแสตั้งใจทําอะไรดีๆจะมีบทพิสูจน์มาลองใจว่าผ่านไหวหรือไม่ไหวถ้าตั้งใจทําอะไรแล้วทุกอย่างสําเร็จง่ายดายทันทีโดยไม่มีข้อสอบทุกคนคงผ่านขึ้นสวรรค์และเข้านิพพานกันหมดแต่เพราะเจอข้อสอบแล้วไม่ผ่านถึงมีมนุษย์ที่ตายไปสู่สุคติได้น้อยเต็มทนชายหนุ่มยิ้มซึมครับ ผมจำได้ดีอาจารย์เคยสอนว่าคนเราเกิดมาเพื่อสอบไล่ไปเรื่อยๆถ้าเธอบวช ด, ด้วยความตั้งใจปฏิบัติจริงไม่ย่อท้อคราวนี้อาจหมายถึงการสอบไล่ครั้งสุดท้ายนนทการได้ยินเช่นนั้นก็ใจชืนขึ้นและนึกถึงวันบวช ด, ด้วยใจปลีดาแต่อีกทางหนึ่งเหมือนรู้สึกถึงรูโวอันเป็นภายในยอมรับกับตนเองด้วยความทรมานใจว่าการพบลานดาววันนี้อาจมีผลให้ฟูงสร้างยืดเยอขึ้นมาอีก ลอนมีรัศมีฉายจับตาจับใจกว่าเดิมหลายเท่าเขาคงเก็บไปฝันอีกนานในที่สุดก็ยอมหมดท่าเอ่ยถามผู้เป็นอาจารย์ตรงๆโดยไม่เกรงจะถูกหาว่าจนป่านนี้ยังเหมือนไก่อ่อนสอนขันอาจารย์ครับผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองยังไม่น่าไว้ใจเลยถ้าคิดถึงจาขึ้นมาอีกแล้วสลัดเขาออกจากหัวใจไม่ได้ควรทําอย่างไรดีครับผมอยากปล่อยวางเขาให้ได้เร็วๆอุปการะมองลูกศิษย์หนุกด้วยสีหน้าเรียบเฉยเธอต้องแม่นหลักปฏิบัติกว่านี้อีกนิดหนึ่ง ตราบได้ยังอยากตราบนั้นเธอยังไม่เริ่มปฏิบัติหรอกแม้จะเป็นความอยากปล่อยวางก็ตามคําตอบของอาจารย์ทําให้นนทการรู้สึกตัวว่ากําลังทุรนทุรายหาได้มีเหตุปัจจัยอันถูกต้องให้เกิดความปล่อยวางไหมพอเห็นอาการดิ้นรนคันอกคันใจชัดโดยไม่เพิ่มอัตราความอยากเข้าไปอีกจิตก็เหมือนสงบลงราบคาบได้อย่างน่าประหลาดได้ข้อสรุปประจัดชัดอีกครั้งความอยากคือต้นเขาต้นเงิน่นต้นเหตุแห่งทุกทั้งปวงแม้ความอยากนั้นจะเป็นอยากสงบอยากปล่อยวาง หรืออยากได้ดีได้เป็นใดๆก็ตามต่อเมื่อหยุดเอาใจไปผสมรงกับความอยากเมื่อนั้นจิต จ, จึงสงบลงเองเลิกกระวนกระวายเองปลดจากทุกไปเองชายหนุ่มถอนใจด้วยความล่งอกผสมสังเวชตนเองเรื่องตื่นตื่นแค่นี้ผมยังจับจุดไม่ถูกอยู่เลยนะครับโง่เหลือเกินคนเราไม่ฉลาดเรื่องจิตของตัวเองกันง่ายๆหรอกอุปการรัปรอบอย่างมีเมตตาจำไว้เถอะว่าการพยายามปล่อยวางวัตถุหรือบุคคลนอกตัวนั้นเป็นได้เพียงอาการแกล้งมองแกล้งคิด ไม่ทำให้วางเฉยจริงต่อเมื่อดูเข้ามาที่ใจเห็นอาการทางใจที่ยื่นออกไปหาเรื่องข้างนอกแล้วทราบชัดว่าความหลงรักเป็นแค่อาการของจิตไม่มีอะไรมากกว่ามายาของจิตก็จะวางเฉยเสียได้นรทการพยักหน้ารับทราบอย่างเต็มตื่นการรู้เข้ามาภายในเห็นชัดว่าอาการยื่นออกไปอาการทยานอยากแห่งใจนี้เองเป็นต้นตอที่แท้จริงของทุกเมื่อวางเฉยกับอาการทางใจเสียได้ก็ไม่ต้องดิ้นรนปล่อยวางสรรพสิ่งนอกตัวอีก เรื่องเหมือนง่ายเท่าเส้นผมบางภูเขาเรื่องยากคือทำอย่างไรจะเตือนตัวเองให้เห็นเข้ามาเช่นนี้ได้อย่างสม่ำเสมอเท่านั้นคิดแล้วชีวิตผมนี่ก็พลิกได้อย่างนึกไม่ถึงเลยนะครับเว้นวักหัวเราอเอือยอย่างผ่อนคลายเริ่มต้นจากการดูหมอโดยไม่นึกว่าจะเจอคนที่เป็นยิ่งกว่าหมอดูตามมาด้วยการช่วยให้ผู้หญิงที่ตัวเองหลงรักเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนโดยไม่ได้ตั้งใจสุดท้ายคืออยากได้เคล็ดวิชาพยากรกรกรม ข, ของอาจารย์อยากเอาดีเป็นหมอดูกรรมพยาก ร, กรเพื่อช่วยคนอื่นอย่างอาจารย์บ้าง ไปๆมามาพอรู้ซึงว่าเคล็ดวิชาพยากรณ์กรรมก็คือเคล็ดวิชาดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าเลยตกลงปรงใจบวชพระสนิปีก่อนต่อให้เป็นอาจารย์มาทำนายว่าผมจะอยากบวชผมยังไม่เชื่อเลยนะครับเขายังจำได้ดีถึงวันที่ขอวิชาจากหมอดูอุปการะแบบกล้ากล้ากลัวกลัวด้วยนึกในใจว่าวิชาของท่านอัดลีลับเป็นที่ปกปิดห่วงแหนยิ่งยวด ประเภทไปเรียนมาจากเขมรหรือทิเบตซึ่งถ่ายทอดกันแบบหลบหล บ, หลบซ่อนๆตามซอกเขาก็เหมือนศาสตร์ลับทั้งหลายที่มักคสาบสูญไปพร้อมกับการตายของผู้สืบทอดที่รู้จริงเพียงหยิบมือเดียวเพราะกว่าจะคัดตัวผู้สืบทอดได้แต่ละคนต้องรักและไว้ใจกันจริงพิสูจน์ความพร้อมเช่นพรสวรรค์ฝีไม้ลายมือตลอดจนความอดทนแบบที่เห็นในนิยายจีนกําลังภายในที่สุดพอไรผู้สามารถสืบทอดวิชาก็มาลายเลือนไปจากโลก แต่ปรากฏว่านอกจากอุปการะจะไม่ปกปิดห่วงแหนวิชาแล้วยังมีความกระตือรือรน้นสอนเขาเดี่ยวนั้นโดยไม่ต้องมีพิธีรีตองใดๆอีกด้วยเริ่มต้นตั้งแต่การให้ความรู้ว่าผลกรรมนั้นปรากฏแสดงอยู่ที่คุณภาพกายปรากฏแสดงอยู่ที่คุณภาพจิตตลอดจนปรากฏแสดงอยู่ที่สิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์รอบตัวดังนั้นถ้าตั้งต้นเอาสติเข้ามาดูกายเอาสติเข้ามาดูจิตเอาสติเข้ามารู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ที่ไหน ไม่ปล่อยให้ความอยากครอบงำความรู้สึกนึกคิดก็ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมความรู้ความเห็นเรื่องกรรมและวิบากเพิ่มขึ้นทีละน้อยไปเองการดูกายนั้นอุปการะสอนเขาให้รู้จักเหตุผลทางกายในวินาทีนี้เช่นถ้าเหตุคือลมหายใจยาวลากเข้าและระบายออกแช่มช้าเนื้อตัวจะสงบไม่กวัดแกว่งระงับความกระสับกระส่ายทั้งปวงได้และมีไออุ่นเป็นที่สบายพอดีพูดง่ายๆคือ ธาตุดินน้ำไฟลมจะเกิดสมดุลเป็นสุขทางกายอยู่ในปัจจุบันด้วยสติรู้การหายใจอย่างถูกต้องเท่านั้นส่วนการดูจิตเขาได้รับการชี้แนะให้เห็นว่าเมื่อกายสงบนิ่งอยู่ในดุลเหมาะจิตก็จะสงบระงับตามและเมื่อจิตสงบระงับไม่กระสับกระสายกายก็ยิ่งนิ่งสบายไม่ไหวติงยิ่งยิ่งขึ้นนี่ก็นับเป็นปรากฏการณ์ทางกรรมและวิบากที่เห็นได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าหรือปีอื่น ฝึกอย่างเข้มงวดอยู่ในการควบคุมและประการความถูกต้องจากอุปการะประมาณ4ี่เดือนทั้งนั่งสมาธิแบบหลับตาทั้งกำหนดสติดูเหตุดูผลของกายใจในระหว่างวันนนทการก็เริ่มแยกออกว่าคิดอย่างไรเป็นเหตุให้เกิดกุศลจิตคิดอย่างไรเป็นเหตุให้เกิดอกุศลจิตรวมทั้งเริ่มประมาณได้ถูกว่ากุศลก็มีน้ำหนักแตกต่างกันตามเหตุปัจจัยนานานโดยคร่าวคือยิ่งแช่มชื่นเบิกบานสว่างสวายนานเพียงใดก็ยิ่งส่งผลกระทบหนักหลวงมากขึ้นเพียงนั้น เริ่มจากคุณภาพของจิตที่คิดอ่านฉับไวและสว่างเป็นสุขมากขึ้นเรื่อยๆไปจนกระทั่งสุขภาพกายที่โปร่งเบาคล่องแคล่วไม่ติดขัดขับคลองเม <_ d ata> ื่อเริ่มดูเหตุดูผลของรูปนามขั้นพื้นฐานเป็นอุปการะก็เริ่มสอนให้เขาดูกายดูจิตคนอื่นเหมือนกับที่สัมผัสรู้จักกายและจิตตนเอง <_ d ata> นอนทการพบด้วยความประหลาดใจว่าใครๆในโลกช่างมันเอาจิตไปแช่อยู่ในหนองน้ําแห่งความเศร้าหรือเอาจิตไปซุกอยู่ในป่ารกแห่งความเครียดโดยมีเหตุผลเพียงไม่รู้ว่า จะเอาจิตออกมาจากหนองน้ำแห่งความเศร้าหรือป่ารกแห่งความเครียดได้ยอย่างไรเท่านั้นเองเกือบทุกคนในโลกเป็นเหมือนกับที่อาจารย์เขาชี้ให้ดูคืออยากจะหายทุกข์หายโศกแต่กลับติดใจชอบสร้างเหตุแห่งความทุกโศกไม่เลิกราแปลกแต่จริงเหลือเชื่อแต่เป็นไปแล้วและเป็นมานานมากๆเสียด้วยเมื่อเฝ้าสังเกตเหตุผลของรูปนามในตนและคนอื่นชนานาญขึ้นจิตของเขาก็เริ่มอยู่ในภาวะอุเบกขาได้เป็นปกติ เพราะเห็นว่าทั้งหลายทั้งปวงล้วนเป็นไปตามเหตุผลที่สมควรอยู่แล้วเมื่อเขาทําสมาธิได้นิ่งนานกว่าเคยอุปการะก็ชี้ให้ดูสิ่งที่เห็นได้ยากขึ้นนั่นคือภาพรวมของดวงจิตในแต่ละคนมีน้ำหนักของกุศลหรืออกุศลอ่อนแอกว่ากันอย่างไรและความสว่างความมืดอันเป็นปกติในจิตนั่นเองโดนให้บุคคลคิดเรื่องดีบ่อยๆหรือเรื่องร้ายบ่อยๆบันดาลให้เกิดความอบอุ่นใจหรือมีจิตแห้งผาก ตรงนั้นเองเขาจึงสามารถเห็นคนเป็นสองมิติได้ในเวลาเดียวกันคือร่างข้างนอกที่แสดงโครงสร้างกรรมเก่ากับจิตใจภายในที่กําลังก่อร่างสร้างกรรมใหม่ๆบางคนสอดคล้องกับของเดิมแต่ก็มีมากที่ขัดแย้งเป็นคนละเรื่องเห็นชัดในคนรูปร่างหน้าตาดีๆแต่มีจิตวิญญาณเหมือนปีศาจอุปการะสอนพื้นฐานต่างๆเช่นให้เขาสัมผัสว่าคนไหนมีแนวโนมคิดผู้ชั่วๆใส่หูคนอื่นเป็นประจำจะเห็นดวงจิตภายในของผู้นั้นปรากฏเป็นร่างหยาบ มืดมนและเต็มไปด้วยกระแสะความวุ่นวายสอดคล้องกับพบที่มากด้วยเหตุการณ์วุ่นวายทำร้ายจิตใจกันและกันแล้วเปรียบเทียบกับคนที่มีแนวโนม้มคิดพูดดีๆประโมคนอื่นให้รู้สึกเย็นจะเห็นดวงจิตภายในของผู้นั้นปรากฏเป็นร่างละเอียดสว่างสวยัยและแผ่ความเย็นซ่านสอดคล้องกับพบที่เปี่ยมด้วยไมตรีจิตจากนั้นอุปการะช่วยป้อนกําลังหนุนให้จิตของเขาตั้งมั่นแนวนิง่งถึงระดับหนึ่งชั่วคราวเพียงพอจะรู้เห็นทะลุเข้าไปว่า จิตแบบหนึ่งหนั้ น, นเหมือนมีสิ่งแวดล้อมอันเป็นภพภูมิสมตัวแสดงให้เห็นอยู่แล้วทำํำนายได้ทันทีว่าถ้าตายเดี๋ยวนั้นจะไปอยู่ไหนหรืออย่างน้อยประมาณถูกว่าช่องชันที่สมตัวควรต่ําหรือสูงใกล้ชิดหรือห่างไกลมนุษยภูมิเพียงใดนาทีที่เห็นดังนั้นนนทการจึงตระหนักว่าภพภูมิมนุษย์ไม่ใช่ที่ตั้งของวิญญาณเพียงหนึ่งเดียวแม้ภาวะความเป็นสัตว์ที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าก็เป็นภพที่ตั้งของวิญ ญ, ญาณ น, นับอ น, นันต์ อัตรภาพของแต่ละภพภูมิเป็นเกณฑ์จำแนกกรรมระดับใหญ่สุดมนุษย์มีความละอายบาปอากุศลเป็นพื้นยืนมีความกระตือรือร้อนในงานกุศลเติมเต็มความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์พร้อมส่วนสัตว์ ร, ร้ายจะปลดจากความสะดุ้งกลัวหรือสะทกสะท้านกับกรรมชั่วทั้งปวงชนิดค่าได้โดยไม่กระพริบมีความเกลียดคร้านปล่อยใจเหม่อลอยไม่ยินดีกับความก้าวหน้าในกุศลทั้งปวงเป็นสิ่งน่วงเหนี่ยวพวกมันไว้ในอบายภูมิ แม้ในภูมนุษย์และภูมิสัตว์เองก็มีการจำแนกกรรมแยกย่อยละเอียดยิบวิญญาณมนุษย์บางคนเข้าใกล้สัตว์หรือเร็วกว่าสัตว์ในขณะที่วิญญาณสัตว์บางตัวเข้าใกล้มนุษย์หรือดีกว่ามนุษย์น้ำหนักของกรรมทางความคิดการเปล่งเสียงสื่อความรวมทั้งการกระทำต่างๆนานานั่นเองก็ให้เกิดผลรวมเป็นความโน้มเอียงเข้าใกล้ภาวะความเป็นเช่นใดจากการเห็นระดับพื้นฐานนวัตการเริ่มได้แนวทางสองสำรวจผลกรรมหลักๆเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นประสาทคนธรรมดาคนหนึ่ง ว่าทำคำขาวอย่างนั้นหรือกรคำดําอย่างนี้ได้ผลอย่างไรทํำคำขาวหรือคนกรคำดำําจะออกหัวออกก้อยท่าไหนกระทั่งถึงจุดหนึ่งย้อนกลับมาเห็นชัดว่าตนก็เป็นผู้หนึ่งที่กําลังเล่นเกมแห่งความไม่รู้เกมแห่งความเสี่ยงผิดเสี่ยงถูกยากจะพยากรณ์ว่าชาติไหนพบใดจะเคละหามยามร้ายก่อกรคำดําอันเป็นเหตุให้ต้องร่วงหล่นลงสู่อบายภูมิเข้าให้บ้างเพราะกรคำดําส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องหมายหรือป้ายบอกว่า นี่ต้องห้ามกระทำแล้วจะเกิดความเสื่อมความตกตำ่ำหรือกระทั่งโศกนาฏกรรมทางวิญญาณเกิดในภพไหนๆก็มีกิเลสคอยยั่วยุผักดันให้ทำบาปทำกรรมนี้สมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้ามาดหมายจะเดินทางเกิดตายไปเรื่อยๆก็ไม่ใช่วิสัยเลยที่จะพลนรกได้ตลอดรอดฝั่งเมื่อตระหนักว่านารกมีจริงและไม่ใช่เพียงอุปมาอุปไมยเช่นสวรรค์นในอกนรกในใจ ความหวาดกลัวก็โดนให้นนทการเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ตั้งคําถามเกี่ยวกับกรรมแสงหน้าผู้อื่นนั่นคือคําถามว่าด้วยกรรมอย่างไรจึงดับกรรมทั้งปวงเสียได้และคําตอบที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นานนับพันปีมาแล้วก็คือกรรมไม่ดําไม่ขาวหรือปฏิบัติธรรมภาวนาจนจิตใสเหนือความขาวของกุศลและความดําของอกุศลและวิถีทางของผู้ตั้งใจทํากรรมไม่ดําไม่ขาวก็คือวิธีทางของนักบวชในพุทธศาสนา เมื่อตกลงปรงใจแน่นอนรวมทั้งขออนุญาตพ่อแม่แล้วว่าจะบวชนนท ก, การก็ได้รับคำแนะนำจากอุปการะให้ถอนการรู้เห็นกรรมของคนและสัตว์อื่นเสียแล้วกลับเข้ามารู้เห็นความไม่เที่ยงไม่น่าติดใจ ย, ยินดีของกายใจเขาเองซึ่งเขาก็อุทิศเลือดเนื้อและวิญญาณทั้งหมดให้กับการฝึกรู้ฝึกดูตามแนวที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่นั้นเต็มกาลังเขาดารงชีวิตในอีกแบบหนึ่งเห็นโลกและตนเองในอีกมุมมองหนึ่งสุขสงบ และปลัดจากเยื่อใยกระสันอยากประกานต่างๆมาระยะหนึ่งจนเริ่มชะล่าว่าเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสแล้วกระทั่งถึงวันนี้เองจึงรู้ว่าการไม่เคยทอดสายตาปลาณีใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ประกาศตนอย่างอาจฐานว่าจะพยายามหนีให้พลเงื้อมมือเกาะกลุ่มของมันนักโทษที่เริ่มวิ่งหนีได้ไกลจะปรากฏเด่นเป็นพิเศษและลากเอาผู้คุมขังมาไล่จับกลับด้วยเงื่อนไขพิสดารเกินคาด ยกตัวอย่างเช่นวันนี้มาหาอาจารย์ด้วยความตั้งใจดีนึกว่ามาสู่เขตปลอดภัยจากการติดตามของกามกลับกลายเป็นเจอของแข็งสุดยอดเข้าให้ในเขตบ้านอาจารย์นี่เองเดี๋ยวนี้จิตของลานดาวปรากฏเป็นดวงวิญญาณโสพิษอาพาสมร่างจึงบาดจิตยิ่งกว่าเดิมหลายขุมยิ่งบวกเข้ากับความปฏิพัฒน์เดิมของเขาที่เคยรุนแรงอยู่แต่ก่อนตบะบารมีทําจึงร่อแรวว่าจะพังทลายกระทั่งมานั่งแสดงอาการหมดท่าให้อาจารย์เห็นในนาทีแรกแต่ก็ดีเหมือนกัน ตระหนักเสียแต่เนินๆว่ายังไม่ไปถึงไหนไกลจะได้ไม่ทนงตนผิดความเป็นจริงหลงนึกว่าแน่แล้วแก่กล้าแล้วเขาพบว่าการภาวนาเพื่อผลผูกนั้นนอกจากรู้หลักนอกจากมีกุญแจสำคัญนอกจากสั่งสมประสบการณ์มาช้านานยังต้องแม่นในวิธีกำหนดรู้เมื่อเผชิญปัญหาต่างๆอีกด้วยนทการสารวจใจตนเองว่ายัง อ, งอ้อยอิ่งอาวรลานดาวอยู่แค่ไหนเขาพบว่าพอมีบ้างแต่เหลือน้อยอย่างน่าประหลาดใจ เพียงเพราะเขาไม่ได้ทุ่มจิตใจผสมรงเข้ากับความอะไรหลอนขณะเดียวกันก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอยากขจัดความคิดถึงหล่อนทิ้งแค่ยอมรับว่าคิดถึงแล้ววางเฉยเสียได้ว่านั่นแค่อาการหนึ่งของจิตก็ไม่มีความกระสับกระส่ายติดตามมามากกว่านั้นคิดเมื่อใดก็รู้และ ว, วางเฉยเมื่อนั้นไม่ว่ายืดเยื้อกี่ร้อยกี่พันหนุนก็ตามการระลึกถึงลานดาวขณะอยู่ต่อหน้าอุปการะทําให้นนทการอดสงสัยไม่ได้อาจารย์ครับวิถีชีวิตของจ้าเปลี่ยนไปอย่างมาก ก็ด้วยคำทํานายของอาจารย์อย่างนี้เออไม่ถือว่าคำทํานายรบกวนระบบกรรมของจ้าหรือครับฉันแค่บอกเขาว่าทํากรรมแล้วต้องรับผลกรรมอย่างเช่นเขาลวงให้คนอื่นมามีความหวังกับความรักที่เป็นไปไม่ได้ก็ต้องประสบกับความรักที่เป็นไปไม่ได้คืนเข้าให้บ้างหากฉันไม่บอกเขาก็จะไม่อาจโยงเองได้ถูกว่านั่นเป็นการสนองกรรมทันตาในชาติปัจจุบันเมื่อผลกรรมแสดงตัวย่อมสูญเปล่า แต่นี่เพราะฉันพูดดักไว้ก่อนเมื่อผลกรรมแสดงตัวเขาถึงเริ่มเชื่อและไม่ใช่เชื่อคำพูดของฉันแต่เชื่อว่าวิบากกรรมมีจริงนนทการพยักหน้าอย่างเข้าใจอาจารย์ของเขาทําอาชีพพยากรณ์กรรมโดยไม่ล่วงละเมิดหรือก้าวไก่กฎแห่งกรรมไม่เคยบอกลานดาวตรงๆว่าจงระวังจะไปตกลุมรักผู้หญิงด้วยกันโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอาชีพเป็นหมอแต่บอกเป็นนายเพียงว่ากําลังจะเสวยกรรมที่ไปหลอกคนอื่นและใบเพียงลักษณะว่าผมยาวสูงไล่เลียกกัน ซึ่งก็ทําให้ลานดาวไพร่นึกไปว่าเป็นหนุ่มใกล้บ้านเท่านั้นชะตาชีวิตของหล่อนไม่ได้พลิกผันไปเพราะมีใครมาสับทางให้แต่อย่างใดหล่อนเดินมาตามทางและพยายามเปลี่ยนทางด้วยกําลังใจอันเป็นกุศลของหล่อนเองขอเพียงรู้กฎแห่งกรรมดวงดาวก็ทําอะไรเราไม่ได้เลยใช่ไหมครับก็ทําได้ในแง่ส่งอิทธิพลคุมรูปชะตาแต่ละคนมาตกอยู่ในร่องชะตาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ด้วยกรรมเก่าถ้าเราเรียนรู้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ละอย่างเป็นผลจากกรรมดําประเภทไหน ก็เพียงเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความเคยชินที่จะก่อ ก, กรรมดํานั้นเป็นกรรมขาวขั้วตรงข้ามในที่สุดก็เกิดภาวะกรรมชนะกรรมให้เห็นเองนนทการแยมยิ้มแจ่มแจ้งเข้าใจแล้วครับอุปการะยิ้มตอบดวงดาวนะ่ะเก็บไว้เป็นของสวยของงามไว้ดูเล่นตอนกลางคืนก็พอแล้วกรรมเรานี่แหละที่ควรเอาไว้สํารวจดูจริงจังตลอดวันตลอดคืนว่ากําลังเป็นดําหรือเป็นขาวเรารู้จักกรรมอันเป็นประโยชน์สูงสุด คือกรรมไม่ดำไม่ขาวเพื่อความสุขในปัจจุบันเพื่ออยู่เหนือกรรมเพื่อชนะกรรมทั้งปวงเพื่อพ้นจากทุกในโลกนี้และโลกอื่นกันแล้วหรือยังจบตอน